ที่พอดีกันที่ช่วยให้เราเดินได้อย่างสมดุลหรือช่วยให้ความสมดุลเนี่ยเกิดขึ้นในการเดินว่าชีวิตกหมายถึงการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างกายกับใจ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 อันนี้ก็เป็นตัวอย่างความสมดุล น, นะของชีวิตนะที่ช่วยทําให้การเดินทางเนี่ยมันเป็นไปอย่างราบรื่นขณะนี้การเดินทางเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมันต้องมีจุดหมายนะถ้าไม่มีจุดหมายเนี่ยก็สเปะสปะนะหรือไม่รู้ว่าจะเดินไปทําไมน ะ, ะนอกจากความสมดุล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 ฉันถูกทำให้เกิดนะ a s born คือฉันไม่ได้ตั้งใจเกิดมาเองนะฉันถูกทาให้เกิดเพราะฉะนั้นถามว่าเกิดมาทาไมเนี่ยก็คงจะเป็นคาถามที่อาจจะ ย, ยังไม่ไม่ถูกต้องนักนะคำถามที่ถูกต้องมากกว่าคือถามว่าอยู่ไปเพื่ออะไรหรืออยู่ไปทำไมถึงแม้เราไม่ได้ตั้งใจให้ตัวเองเกิดมานะแต่ว่าการมีชีวิตเนี่ยอยู่มาถึงปานนีน้มันต้องเกิดจากความตั้งใจของเรา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 สองคำเนี่ยคลุมในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของชีวิตนะก็คือว่าครอบครมนักประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านะประโยชน์ท่านก็หมายถึงว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะอันนี้เรามองข้ามไม่ได้มันจำเป็นนะสำหรับชีวิตที่ดีแต่ว่ามีประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วเนี่ย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 แต่คนเราเนี่ยมันไม่ใช่พัดลมนะคนเราสามารถจะทำได้ดีกว่านั้นได้ก็คือว่าในขณะที่ช่วยผู้อื่นทำให้ผู้อื่นนะมีความสุขตัวเองก็สามารถจะมีความสุขได้และความสุขที่ดีเนี่ยนะก็คือความสงบความสุขอย่างอื่นเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นอ่าความสุขที่ประเสริฐเท่าไหร่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 มันทุกตั้งแต่มีความอยากแล้วล่ะนะเห็นของที่วางขายตามห้างหรือว่าที่เขาโฆษณาทางโทรทัศน์หรือว่าทางคอมพิวเตอร์ทางมือถือเนี่ยแค่มีความอยากนี่มันก็ทุกแล้วนะแล้สังเกตมัเป็นความเป็นความทุกข์ที่ที่ใจนะคือความร้อนมันร้อนนะ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 ที่เราสวดมาสักครู่เนี่ยนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะพัดพราดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นะและมันที่คู่กันก็คือต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะประสบกับสิ่งที่ไม่รักเช่นคนมามาตำหนินะของที่เรามีหรือว่ามาแย่งชิงของเราไปอันนี้เรียกว่าเจอคนที่ไม่รักแนละ้วก็ทุกข์อีกนะ คือมัน ท, ทุกขั้นตอนเลยนะถ้าเรามีความปรารถนาในความสุขหรือเอาความสุขไปผูกติดกับสิ่งที่เรียกว่าการมาสุขเนี่ยมันจะทำให้เราเจอทั้งโลภะแล้วก็โทสะนะไล่เลี่ย ก, กันนะอยากได้คือโลภะนะพอเสียไปก็เกิดโทสะนะเกิดโทสะเพราะว่าเกิดโทสะที่มุ่งต่อคนที่เขาเอาไป หรือเขามุ่งไายต่อทรัพย์สมบัติของเราหรือมุ่งไายต่อการมาสุขของเรามันจะคู่กันเลยนะโลภะกับโทสะเนี่ยหรือความอยากนะความอยากได้อย่างมีอยากครอบครองกับความอยากผลักไสออกไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามุ่งไปที่ความสงบเนี่ยนะมันมันดีกว่านะอันนี้พระเจ้าก็ตัดไปเองนะสุขหรือเนี่ยความสงบไม่มี กามาสูงนี่มันเป็นลักษณะการกระตุ้นเราให้เกิดความไม่สงบขึ้นมาในจิตใจนะอยากไดนะ้เสร็จแล้วก็กังวลห่วงเสร็แล้วก็เสียใจเมื่อมันหายไปแล้วก็คับแค้นใจเพราะมีคนมาเอาไปนะ น, นี่ความสงบเนี่ยนะหลายคนไปคิดว่าจะสงบได้ต้องอาศัยสิ่งล้อม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 ว, วัตถุแวดล้อมดีนะไม่มีเสียงดังคนที่อยู่รอบตัวก็เรียบร้อยแต่ถ้ามันมีสื่อที่อยู่ใกล้มือก็ทําให้ทุกหรือทําให้ใจไม่สงบได้นะเช่นโทรทัศน์หรือว่าโทรศัพท์มือถือข้อความที่ส่งมาอาจจะเย้ายวนให้เกิดความอยากนะหรือว่ายั่วยุให้เกิดความโกรธนะก็สามารถจะเกิดโลภะและโทสะได้จากสื่อหรือผ่านทางสื่อได้ทั้งนั้นนะ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 ก็นีกถึงแม้ทั้งสามอย่างเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมทางวัตถุทางสังคมและทางเทคน โ, ทโนโลยีเนี่ยมันเออเฟือเกอืเกอ้อกูลแล้เนี่ยแต่ถ้าวางใจไม่เป็นนี่ก็ทุกนะทุกเพราะอะไรนะทุกเพราะจิตที่ปรุงแต่งนะปรุงแต่งฝันฟุ้งสา ร, รพัดนะและส่วนใหญ่เวลาเราฝันฟุ้งปรุงแต่งเนี่ยมันมักจะเกิดเพราะความเผลอ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 อาการคิดถึงอดีตเนี่ยถ้าเราคิดไม่เป็นคิดด้วยความหลงเนี่ยนะมันก็ทําให้เกิดความเศร้าความโศกความคับแค้นนึกถึงคนที่เขาต่อว่าด่าทอแล้วก็ทําให้โกรธได้แต่ถ้านึกถึงแล้วเออมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าให้เราระมัดระวังไม่ทําอะไรที่ผิดพลาดมันก็ทําให้เราได้ประโยชน์ใจเราก็ไม่รุมร้อนไม่คับแค้นนะ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 จริงไม่ได้และที่ยอมรับความจริงไม่ได้เพราะมันติดกับคาว่าน่าจะควรจะหรือไม่น่าจะไม่ควรจะเนี่ยรวมทั้งการไปคิดถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างในสิ่งที่ในมุมมองที่มันไม่ทำให้เกิดสติปัญญาหรือทำให้เกิดประโยชน์การมีสติเนี่ยมันช่วยทำให้เรารู้ตัวได้ไวนะแล้วก็ไม่หลงนะ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 ก็ต้องมีสติให้ไวมีสติให้ทันที่สามารถทําให้เราเนี่ยกลับมารู้ตัวได้ไวไม่ตกอยู่ในอนํานาจความหลงความห ล, นะลงนี่ภาษาบปเรียกลมเรียกโมหะนะโลภะโทสะ ก, ก็ทําให้ทุกข์ก็ทําให้ร้อนโมหะก็เหมือนกันแต่ครั้นี้ความหลงเนี่ยนะความไม่รู้เนี่ยนอกจากไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการไม่รู้ความจริง การไม่รู้ความจริงเช่นไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถจะยึดนะว่าอะไรเป็นเราของเราได้หรือว่าแต่ของนอกตัวเลยแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นของจริงมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาชั้นเรื่องทั้งตัวเนี่ยมีแต่กายกับใจกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะใจก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะ ซึ่งเมื่อวานเนี่ยจันออยก็ได้พูดไปแล้วนะเรื่องว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันมันมีความหมายว่าอย่างไรแต่ที่ง่ายๆคือว่ามันเราควบคุมให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสั่งให้มันไม่แก่ก็ทําไม่ได้สั่งให้มันไม่ปวดไม่เมื่อยก็ทําไม่ได้นะปวดท้องนะสั่งให้มันหยุดปวดสักทีก็ทําไม่ได้มีแต่ต้องหาทางไปบําบัดด้วยการเข้าห้องสุขขานเนี่ย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 เติมสติลงไปเติมความรู้สึกตัวลงไปและที่สำคัญคือเติมปัญญาทําให้เห็นความจริงเมื่อแล้วก็ตามที่เรารู้ความจริงเห็นความจริงนั่นแหละถึงจะทำให้ให้ความทุกข์มันหมดไปแม้ว่าสิ่งรอบตัวจะว้าวุ่นวุ่นวายแม้จะมีคนที่ไม่น่ารักหรือแม้แต่จะประสบความพัดพราดถ้าเห็นความจริงถ้าเข้าใจความจริงเมื่อไหร่เนี่ยคือหมดความหลงให้ความสงบเย็นก็เกิดขึ้นได้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 เป็นภรรยาของเสนา บ, บดีคู่ใจของพระเจ้าประเปสนิโกสนเสนา บ, บดีคนนี้ชื่อพันธุลัก็มีเชื่อเจ้านะแล้วก็ที่สนิทสนมกับพระเจ้าปเปสนิโกสนก็เพราะว่าเคยไปเรียนสํานักเดียวกันสํานักตักกศิลาและทั้งสองคนก็มีความสามารถนะในวิชาการต่างๆรวมทั้งการสู้รบพันธุลันี่มีปัญหา นะในบ้านเกิดเมืองนอของตนก็เลยมามาอยู่กับพระเจ้าประสิทธิกโกศลพระเจ้าประสิทธิกโกศลก็ให้เป็นเสนาบดีคู่ใจแต่ต่อมาเนี่ยพันธุลัณเนี่ยสร้างศัตรูนะเพราะว่าทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไอ้คนที่เสียประโยชน์ก็เลยไปเป่าหูพระเจ้าประสิธิกโกศลพัธุลาเนี่ยจะมีแผนร้ายจะเป็นกบฏ จะยึดอำนาจนะพระเจ้าปเนสนธิโกส่วเป็นคนหูเบานะแล้วก็ระแวงเพราะพันธุล้นที่เป็นคนเก่งเนะี่ยมีความสามารถแถมมีมีบริษัทบริวารเยอะโดยเฉพาะลูกเนี่ยนะมีลูกนะถึง32มคนนะเป็นแฝดสิคู่นะแฝดสิกคู่ก็ส2คนเก่งทั้งนั้นนะพระเจ้าปเนสนจิโกส่วก็ระแวงแล้วก็เลย ลวงให้ไปตายนะหลอกให้ไปทำงานแล้วก็มีคนซุ่มโจมตีฆ่าทั้งผันธุลาแล้วก็ลูกทั้งส2บคนข่าวร้ายเนี่ยก็มาถึงนางมาลิกาในเช้าวันหนึ่งเป็นเช้าวันนั้นในนาง ม, มริกาก็กำลังกาลังเลี้ยงพระก็มีพระโมคคาณาพระโมคคานาัสสรีบุตรเนี่ยแล้วก็พาอีกหลายลูก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 พูดกับนางเมริกาว่าของที่มันแตกได้เนี่ยมันก็แตกไปแล้วนะอย่าไปเสียใจเลยนางมริกาก็เลยบอกว่าดิฉันไม่เสียใจหรอกนะเพราะว่าเมื่อเช้าแม้กเพราะาที่หนักกว่า น, นี้เนี่ยสูญเสียไปก็ไม่เสียใจเมื่อเช้าเนี่ยได้ข่าวว่าสามีและลูกทั้งสาคนถูกฆ่าตายดิฉันก็ยังไม่เสียใจเลย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 เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอเรื่องร้ายเนี่ยใจก็สงบได้นะไอความการเห็นความจริงเนี่ยมันทำให้ไม่มีความยึดติดถือมั่นมากมีความรักแต่ว่ารักแบบไม่ยึดติดนะเพราะว่ารู้ว่ามันไม่เที่ยงสักวันหนึ่งก็ต้องมีความพัดพลาสูญเสียเป็นความสงบอย่างที่แท้จริงนะมันเกิดจากการที่มีปัญญาเห็นความจริงไม่ใช่เห็นด้วยด้วยเหตุผลนะ หรือด้วยสมองอย่างเดียวนะแต่ว่าใจเนี่ยมันมันก็ยอมรับด้วยอันนี้เราเหตุผลกับหัวใจเหตุผลกับอารมณ์เนี่ยมันไปด้วยกันสมองกับหัวใจมันเป็นหนึ่งเดียวกันคือเข้าถึงความจริงอันนี้แหละที่ผู้ใ ช, ช่างว่าจักสู่เกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วนะวิชาเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเ่เราคือพอมีปัญญาเห็นความจริงในเรื่องไตรลักษณ์นะ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 มันก็ช่วยทําให้เรานะเข้าถึงสุขอย่างแท้จริงนะและถึงแม้จะยังไม่เข้าถึงสุขในระดับที่ว่าเนี่ยจนหมดทุกอย่างสิ้นเชิงเนี่ยแต่ว่ามันก็ทําให้จิตใจมีความสงบเย็นเป็นสุขแล้วความสงบเย็นเป็นสุขเนี่ยก็จะหล่อเลี้ยงให้เราเนี่ยสามารถจะอเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างเต็มที่การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะมีเมตตาหรือกรุณา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 ทรงเมตตาลาหุนซึ่งเป็นลูกเนี่ยเท่าๆกับที่ทรงเมตตาพระเทวทัตที่มุ่งร้ายจะหมาเอาชีวิตของพระองค์เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยอันนี้เพราะว่ า, ามีกรุณาอย่างยิ่งและกรุณานี่ก็เกิดขึ้นจากปัญญากรุณาปัญญานี่เป็นองค์คุณของพระพุทธเจ้านะจริงๆก็มีแค่สองะหลักๆ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 ก็จะเรียกว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์มากนะแม้ว่ายัางต้องแก่ต้องเจ็บนะยังต้องพัดพาดสูญเสี ย, ยงต้องตายนะแต่ว่าก็ไม่มีความทุกข์เข้ามาครอบงาแถมจะยังทำประโยชน์ให้สุขให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะก็ฝากอันนี้ไว้ให้พวกเรานะ